พระอระหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งตอนกลางคืนยามดึกสงัดท่านกำลังเข้าที่ทำสมาธิภาวนาอยู่มีพระอระหันต์องค์หนึ่งชื่อพระพากุละรูปร่างขาวสูงสวยงามมากมองเห็นแล้วน่าเคารพเลื่อมใสทันที ท่านเหาะทางอากาศมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาตอนกลางวันของคืนวันนั้นบริการชิ้นหนึ่งของท่านหายหายยังไงก็ไม่พบพอตกกลางคืนนั่งภาวนาพระอาหารหันต์องค์นี้ก็เหาะมาเยี่ยมท่านพอดีพอเหาะลงมาถึงพื้นนั่งเรียบร้อยแล้วท่านก็ถามขึ้นทันทีว่าทราบว่าบริการชื่อนั้นของท่านหายเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมท่านเรียนตอบว่าใช่ พระอาหารหันต์องค์นั้นก็ชี้มือบอกว่านั่นอยู่ที่นั่นมิได้หายท่านลืมที่ไว้ตังหากพอเช้าวันหลังไปดูที่ท่านชี้บอกก็เห็นจริงๆท่านรู้สึกแปลกใจว่าท่านก็ไม่ได้บนบานสารกล่าวอะไรเลยแต่ท่านทำไมทราบได้บริคารนั้นก็ได้คืนมาจริงๆตามจุดที่ท่านชี้บอกจึงน่าอัศจรรย์อยู่มากท่านว่า ขณะที่พระอระหันร์ท่านเหาะมาเยี่ยมท่านอาจารย์องค์นั้นท่านชมเชยและสรรเสริญท่านที่ถือธุดงควัตและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเคารพเลื่อมใสจึงโดนบันดาลให้ท่านต้องมาเยี่ยมถึงที่อยู่จากนั้นท่านก็แสดงธรรมเพื่อความเรื่นเริงแก่ท่านและสอนเน้นหนักลงไปในธุดงควัตว่าจงพยายามรักษาทุดงไว้ให้มั่นคงต่อไปอย่าให้เสื่อมร่วงโรยไปเสีย ทุดงขวัตเสื่อมก็เท่ากับว่าศาสนาเสื่อมแม้คำพีธรรมะทั้งหลายยังมีอยู่ก็ไม่อาจส่งคุณค่าแก่ผู้ไม่สนใจได้เท่าที่ควรทุดงขวัตเป็นธรรมะขั้นสูงมากผู้รักษาทุดงได้ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงท่านควรทราบว่าพระอริยเจ้าทุกประเภทไปจากทุดงขวันี้ทั้งนั้นทุดงขวัจึงเป็นทางเดิน เพื่ออริยธรรมอริยบุคคลคนไม่มีทุดงขวัตคือคนวัดร้างเช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้างอะไรก็ตามถ้าลงได้ร้างแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลยท่านจงรักษาทุดงอันเป็นเครื่องทำลายกิเลสไว้ให้ดีและมั่นคงอย่าให้เป็นพระวัดร้าง จะเป็นทางรั่วไหลแตกซึมแห่งมรรคผลนิพพานที่ควรจะได้จะถึงพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบรรดาที่เลิศแล้วล้วนแต่ท่านรักษาทุดงขวัตกันทั้งนั้นไรประมาททุดงว่าไม่สำคัญผู้นั้นคือผู้หมดสาระสำคัญในตัวเองท่านจงรักษาความสำคัญของตนไว้ด้วยทุดงขวัตผู้มีทุดงขวัต เป็นผู้มีอำนาจทั้งภายนอกภายในอย่างลึกลับจับใจที่บอกใครไม่ได้เป็นผู้เด่นในวงแห่งทวยเทพชาวไตรภพทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพรักผู้มีทุดงควัตประจำตัวอยู่และไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตัวและผู้อื่นมีแต่ความเย็นชาำอยู่ภายในทั้งกลางวันและกลางคืน ทุดงขวัตเป็นธรรมะลึกลับยากที่จะมองเห็นความสําคัญทั้งที่ทุดงขวัตเป็นธรรมะสาคัญในศาสนามาดั้งเดิมทุดงขวัตเป็นหลักใหญ่แห่งพระศาสนาผู้มีทุดงประจําตัวคือผู้รู้ความสําคัญของตัวและรักษาถูกจุดแห่งความสําคัญได้ดีเป็นที่น่าชมเชยอย่างถึงใจผู้มีทุดงขวัต ด, ดี เป็นผู้มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนในสัตว์ทั้งหลายถ้ายังมีผู้ปฏิบัติรักษาธุดงควัตอยู่ตราบใดศา ส, สนาก็ยังทรงดอกทรงผลอยู่ตราบนั้นเพราะธุดงเป็นทางที่ไหลามาแห่งมรรคและผลทุกชั้นไม่มีสถานที่การเวลาหรือสิ่งใดๆมาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้ถ้าทุดงควัตยังเป็นไปอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ท่านจงจดจำให้ถึงจิตคิดไตร่ตรองให้ถึงธรรมะคือทุดดงควัต ด, ดังกล่าวมาอยู่ที่ใดไปที่ใดจะชุ่มเย็นอยู่กับตัวท่านเองทุดดงควัตนี่แหละคือบ่อกเกิดแห่งธรรมะทั้งหลายดังนี้พอแสดงธรรมจบลงท่านกลาจากไปโดยทางอากาศหายเงียบไปเลย เมื่อพระอระหันต์ท่านจากไปแล้วท่านนำธรรมะที่ท่านแสดงสั่งสอนมาคิดอ่านไตรตรองเกิดความอัศจรรย์ใจตัวเองที่ไม่คาดฝันว่าจะมีพระอระหันต์ผู้วิเศษแม้นิพพานแล้วยังอุตสามาเมตตาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับทุดงควรัตและธรรมะอื่นๆมากมายเกิดความมั่นใจในธรรมะทั้งหลายว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติ ได้จอมปราดมาเมตตาสั่งสอนซึ่งเป็นพระขีณาสพทั้งองค์ออกมาทางอากาศเราคงมีวาสนาบารมีอยู่บ้างที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นและได้ฟังสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้ยินได้ฟังนับแต่เกิดมาการดำเนินของเราคงไม่เป็นโมฆะในวงพระศาสนามิฉะนั้นพระอรหันต์องค์วิเศษคงไม่หออมาโปรดเมตตาให้เสียเวลา คืนวันนั้นพอออกจากที่ทำสมาธิมาเดินจงกรมราวกับตัวจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศตามพระอรหันต์ท่านไปจนได้ทำความเพียรไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าใดๆเลยมักผลนิพพานเหมือนกับอยู่ชั่วเอื้อมมือถึงทั้งที่จิตก็ยังมีกิเลสอยู่ในใจนั่นแหละจิตใจสงบเย็นกายก็เบามองไปในทิศทางใดรู้สึกปลอดโปร่งโล่งไปหมด ไม่ปรากฏสิ่งและอารมณ์ใดๆมาเกี่ยวข้องพัวพันจิตใจให้ลำบากรำคาญเหมือนที่เคยเป็นมานต่อกันมาเลยเดินจงกรมจนถึงสว่างโดยไม่รู้สึกเมื่อยขบใดๆทั้งสิ้นที่เคยได้ยินธรรมะท่านแสดงไว้ว่าธรรมะปีติสุ ข, ขังเสติผู้มีความปีติในธรรมย่อมอยู่หลับนอนเป็นสุขดังนี้ก็พึงมาปรากฏชัดกับใจ ในคืนวันนั้นดังนี้ฟังแล้วขนลุกสู้เพราะความปีติยินดีในประสบการณ์ของท่านที่มีวาสนาบารมีบำเพ็ญธรรมจนเห็นมักเห็นผลอยัมพันตาทั้งภายนอกมีพระอรหันต์องค์วิเศษออกมาโปรดเมตตาทั้งภายในก็ได้ดื่มธรรมรสปรากฏซาบซ่านไปทั้งกายทั้งใจอันเป็นความเย็นที่หาได้ยาก ฝากฟ้าแดนดินถินถ่นใกล้ถิ่นไกลหรือถิ่นไหนไหนก็ไม่มีให้เจอถ้าไม่เจอจากความเพียรพยายามปฏิบัติอบรมในธรรมนี้เท่านั้นท่านที่เพียรทางนี้ย่อมมีวันเจอเพราะสิ่งที่จะให้เจออยู่กับธรรมะและธรรมะก็อยู่กับใจไม่แยกหรืออยู่ห่างไกลกันอะไรเลย ท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกจะมีประวัติแปลกอยู่บ้างองค์หนึ่งในบรรดาสิทธิ์ท่านอาจารย์มั่นในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งโดยมากก็เป็นความอดอยากกันดานและสัตว์เสือที่เป็นเรื่องเสี่ยงต่อชีวิตที่โลกรักสงวนกันอย่างยิ่งผลที่ได้รับก็ประทับใจทั้งภายนอกภายในคือภายนอกก็ได้เห็นสิ่งลึกลับที่เกินกว่าสายตาและหูของมนุษย์ทั้งหลายจะรู้เห็นและได้ยินได้ แต่ท่านก็ได้เห็นอยู่เสมอเป็นคู่เคียงกับปฏิปทาตลอดมาและภายในคือธรรมรสก็ปรากฏอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอต่อไปนี้ท่านผู้อ่านก็จะได้นึกวาดภาพไปตามความเป็นไปแห่งเรื่องของท่านอีกต่อไปซึ่งจะขออารัธนาเรื่องท่านมาลงไปเรื่อยๆจนควรแก่การยุติ มาเหตุผู้อ่านขอฝากข้อคิดไว้พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจอีกแง่มุมหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องพระอาหารหันต์มาปรากฏกายภายหลังอาจจะขัดแย้งกับหลักที่ว่านิพพานแล้วจะไม่เหลือรูปนามจะไม่มีรูปนามเหลืออยู่จากที่เคยฟังจากครูบาอาจารย์หลายท่านท่านให้เหตุผลเรื่องนี้ไว้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นธรรมนิมิตที่เป็นวาสนาบารมีของแต่ละท่าน เป็นเรื่องเฉพาะตัวจากพลังบุญจากพลังแห่งธรรมะที่สร้างรูปนิมิตให้ปรากฏมาหนุนนําการปฏิบัติมาสร้างกําลังใจมาย้ําเตือนแนะนํานหรือแม้แต่ไขปัญหาที่ติดขัดภาพที่ปรากฏอาจเป็นบุคคลที่เคยมีบุญสัมพันธ์กันมาในอดีตหรือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับผู้ที่ได้พบและรับฟังนั้นแต่เกิดเนื่องมาจากด้วยบุญบา ร, รมีอันยิ่งใหญ่ของผู้นั้นเป็นสําคัญ ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาในหมู่นักปฏิบัติกันมากนะครับเพราะธรรมนิมิตของจริงที่เกิดจากพลังแห่งความบริสุทธิ์ทางจิตนั้นน้อยคนจะได้พบเจอที่เป็นเรื่องจริงแต่คนส่วนมากที่บุญบา ร, รมีความบริสุทธิ์ทางจิตยังไม่ถึงจุดพออาจเกิดการปรุงแต่งสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองได้หลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงอุปาทานจากจิต หรือแม้แต่ความเชื่อเดิมปรุงแต่งขึ้นมาคล้ายกับความฝันที่สมจริงมากจึงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วอาจก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงเช่นกรณีบางคนนั่งสมาธิแล้วปรากฏภาพเทวดามาบอกแล้วกลายเป็นฆ่าตัวตายยกบ้านก็เป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งนะครับในกรณีที่ปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นท่านใดามาสอนธรรมะก็ตามเอาเฉพาะเรื่องที่ไม่ใช่ของจริงเป็นการปรุงแต่งจากจิตของตน หากสอนดีถูกทางก็ดีไปหากสอนผิดก็มีสิทธิ์หลงทางไปไกลเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเนียวแน่นและแก้ได้ยากมากดังนั้นจึงควรหมั่นตรวจสอบตัวเองว่าละสังโยชน์เบื้องต้นได้เด็ดขาดครบทุกข้อหรือยังเป็นด่านแรกที่ควรผ่านให้ได้ก่อนถ้ายังทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็อย่าพึ่งเชื่ออะไรที่เกิดทางจิตหรือภาพที่ปรากฏทั้งในนิมิตภายในหรือจะเป็นนิมิตภายนอกก็ตามนะครับ เราโอกาสที่จะพลาดโดนจิตตัวเองหลอกมีสูงมากควรยึดหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งมีใจความโดยสรุปว่าหากยังไม่บรรลุอรหันต์ก็อย่าได้เชื่อสนิทใจว่าสิ่งที่รู้ที่คิดว่าเข้าใจสิ่งที่เชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วและการฟังคำสอนหรือท่องจำธรรมะใดๆก็อย่าเชื่อสนิทใจจนกว่าจะบรรลุอรหันต์แล้วเท่านั้นนี่คือการอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างแท้จริง เพราะเส้นทางเพื่อความพ้นทุกข์เต็มไปด้วยสิ่งหลอกล่อให้หลงทางโดยจะมีความแนบเนียนแฝงมาในการทำดีในการปฏิบัติอย่างแยบยนต์หากยไม่พ้นทุกข์บรรลุอรหันต์ได้จริงจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เคยเชื่อนั้นถูกต้องจริงหรือไม่จึงควรเผื่อใจไว้เสมอแล้วเพียรปฏิบัติด้วยใจเป็นกลางวางเฉยต่อทุกสรรพสิ่งหากมีนิมิตอะไรปรากฏจะจริงหรือไม่ก็ตาม ก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นว่ามีเพียงรูปนามเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่ตัวตนอะไรให้ยึดแล้วพิจารณาโดยแยกขายว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นขัดแย้งกับทั้งสามปีดกหรือไม่เห็นแล้วรู้แล้วส่งผลดีให้ละตัวตนเห็นไตรลักษณ์ในกายในจิตนี้หรือไม่ส่งให้กุศลเจริญขึ้นหรือไม่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็นามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าไม่ดี ก็สักแต่ว่ารู้เห็นแล้วปล่อยผ่านไปอย่าไปคิดจริงจังยึดถือเป็นเรื่องสำคัญโปรด จ, จำไว้ว่าอย่าเชื่ออะไรสุดหัวใจจนกว่าจะสำเร็จอรหันได้ก่อนนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพื่อความไม่ประมาทและดำเนินมรรคได้ถูกทางอย่างแท้จริงต้องขอกราบขออาภัยทุกท่านใว้ที่นี้ที่เพิ่มเติมส่วนนี้เข้ามาก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็ น, น้อยนะครับต่อไปนี้ท่านผู้อ่านก็จะได้นึกวาดภาพไปตามความเป็นไปแห่งเรื่องของท่านต่อไปอีกซึ่งจะขออารัธนาเรื่องท่านมาลงไปเรื่อยๆจนควรแก่การยุติ คือท่านพักทำความเพียรอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาลูกหนึ่งทราบว่าห่างจากหมู่บ้านมากผิดที่เคยอยู่มาก่อนบินทบาด ท, ทั้งไปและกลับก็กินเวลาราวสองชั่วโมงกว่าจนเหงื่อแตกโชกแทบไม่มีเหลือติดตัวกว่าจะกลับถึงที่พักแต่ละครั้งแต่ท่านก็พอใจที่จะอยู่บําเพ็ญด้วยความสมัครใจไม่คิดถึงความลําบากกันดานใดๆทั้งสิ้น การภาวนาก็เป็นไปด้วยความดูดดื่มไม่จืดจางคืนวันหนึ่งพอจิตสงบตัวลงไม่นานนักก็ปรากฏเห็นพระอระหันต์องค์หนึ่งชื่อท่านว่าพระกัสปะเทระเอ่อลอยมาทางอากาศมุ่งหน้ามาหาท่านแล้วค่อยๆเหาะลงมาราวกับมีเบรกห้ามล้อเหมือนรถยนต์เราแล้วก็ค่อยๆ ย, ย้อนองค์ท่านลงมาจนถึงพื้น เสร็จแล้วนั่งพับเพียบเรียบร้อยที่ตรงหน้าท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มที่เต็มไปด้วยรัศมีพราพรารอบองค์มีลักษณะท่าทางอ่อนโยนด้วยเมตตาราวกับหมอผู้มีอัธยาศัยใจเอื้ออารีต่อคนไข้เข้ามาถามดูอาการด้วยความเป็นห่วงหวังจะช่วยอนุเคราะห์ด้วยหยูกยาและวิธีการต่างๆอย่างเต็มสติ ก, กำลังความสามารถที่มีอยู่ฉะนั้นพระอระหันต์องค์นั้นก็เช่นกัน พอนั่งพับเพียบเรียบร้อยด้วยทั้งอัธยาศัยที่เต็มไปด้วยเมตตาหวังธรรมานุเคราะห์แก่ท่านแล้วก็ถามด้วยความเอื้อเฟื้อว่าเป็นอย่างไรขันธทปัญจ ก, กับใจที่เป็นเจ้าของแห่งวัตฏะของท่านพอเป็นไปอยู่แลหรือจิตพอจะเห็นโทษและเบื่อหน่ายต่อการเกิดตายบ้างหรือ ย, ยังผมเป็นห่วงท่านกลัวว่าจิตที่เคยนอนไม่ตื่นมาเป็นอ น, นันตการจนนับประมาณไม่ได้ จะไม่สนใจอยากตื่นพอมองเห็นทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นแดนลึกลับสําหรับสัตว์โลกผู้ไม่สนใจจะตื่นจากหลับคือความเพลินหลงในสิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่มีประจําอยู่ในแดนของสัตว์โลกผู้ชอบลุ่มหลงยิ่งกว่าความชอบรู้จริงเห็นจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนเดียวกันจึงได้มุ่งมาเมื่อมาถึงแล้วก็น่าอนุโมทนาในกําลังศรัทธาและข้อปฏิบัติที่ท่านบําเพ็ญอยู่เวลานี้ นี่เป็นประโยคแรกที่ท่านทักทายไต่ถามด้วยความเป็นห่วงและเมตตาส่วนท่านอาจารย์องค์นั้นท่านปรากฏในนิมิตภาวนาว่าท่านลุกขึ้นกราบไหว้ท่านด้วยความตื่นตันใจทั้งที่ใจยังอยู่ในสมาธิขณะที่ท่านเหาะลงมาถึงที่แรกท่านเรียนตอบพระอรหันต์โดยทางสมาธิภาวนาว่าขันของเกล้ากระผมก็พอทนกันไปแบบโลกโลกเทนกัน ส่วนจิตก็พยายามตะเกียกตะกายปลุกปล้ำกันไปเพื่อความเห็นโทษแห่งการลืมตัวมั่วสมกับสิ่งที่เป็ น, านภายในซึ่งคอยหลอกหลอนให้ลุ่มหลงไปตามตลอดเวลาพอได้รับความร่มเย็ยนเห็นโทษแห่งวัฏะบ้างเท่าที่สติปัญญาสามารถเมื่อจบลงท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังโดยเน้นหนักไปทางทุดงควัดเช่นเดียวกับองค์กร แสดงพระวินัยเป็นวาระสุดท้ายใจความแห่งธรรมะที่แสดงท่านยกเอาทุดงขวัตที่อาจารย์องค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดงว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นสามีจิกรรมอันชอบแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอริยบุคคลท่านชอบอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในถ้าเงื้มผารุกขมูลร่มไม้อยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าช้า มันเป็นสถานที่เตือนบอกเรื่องความตายทุกวันเวลาเกี่ยวกับการที่ประชาชนมาทิ้งผีทั้งผีหญิงผีชายผีชายหนุ่มผีหญิงสาวผีเด็กผีคนเท่าคนแก่อยู่ทุกวันเวลาท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตรตรองกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออกท่านอยู่อย่างที่ท่านกาลังอยู่บาเพ็ญเวลานี้และ การอยู่ของท่านจึงเป็นความถูกต้องไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมวัตถุทุกให้พอกพูลหัวใจจนหาที่ปลงวางไม่ได้แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ปลงวางกันนอกจากต่างคนต่างคิดสังสมและส่งเสริมให้เชื้อและทุกเพิ่มขึ้นจนเป็นมหันตทุก์เท่านั้นฉะนั้นการเกิดตายของสัตว์โลกจึงเกลื่อนไปทั่วดินแดน ไม่มีอะไรที่ไหนจะมากกว่าป่าช้าของสัตว์ที่ตั้งหน้าเกิดตายกันแม้ที่เรากำลังนั่งอยู่เวลานี้ก็คือป่าช้าของสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสิ้นไม่มีที่ว่างว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แทกอยู่แม้ในตัวเราตัวท่านก็คือป่าช้าของสัตว์เราดีๆนี่แหละก็เมื่อทุกหนทุกแห่งมีแต่ที่เกิดตายของสัตว์เช่นนี้เราจะหาความสบายที่ไหนกัน ท่านได้พิจารณาบ้างหรือยังว่าแม้ในตัวท่านเองก็เป็นป่าช้าที่เกิดตายของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นเดียวกับภายนอกถ้ายัางไม่พิจารณาก็แสดงว่าปัญญายังไม่รอบคอบพอที่วัด ต, ตะจะเกรงกลัวและหาทางออกไม่มารบกวนชวนให้เกิดตายซ้ำๆซักๆที่น่ารำคาญของนักราษ ท, ทั้งหลายคำว่าปัญญาก็ได้แก่ความแยกคายของใจเอง ต้องสอดแทรกไปหมดไม่มีเว้นแม้ขนาดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งล้วนเป็นสมมุติสิ่งทำให้ติดข้องได้ด้วยกันประาชท่านจึงพิจารณาและรื้อถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่เลยท่านก็เป็นผู้หนึ่งในวงของพระทุดงที่มีใจมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์และปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างปฏิปทาของอริยบุคคลอันสูงสุดจึงควรใช้สติปัญญาแบบท่านบาง จะเป็นความถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของทุดงขวัตที่ทรงปฏิบัติไว้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ดำเนินตามให้เกิดความฉลาดรอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับตนและถอดถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่นั่งเฝ้านอนเฝ้าทุดงขวัตต่างๆอยู่โดยไม่ทราบความมุ่งหมายว่าทุดงคอนั้นๆเพื่อแก้กิเลสบาปธรรมต่างกันอย่างไรบ้าง และอันมวยประโยชน์แก่ผู้ดำเนินตามโดยถูกต้องในทางใดบ้างซึ่งความจริงทุดงแต่ละข้อมีความมุ่งหมายในการแก้หรือถอดถอนกิเลสอยู่ในตัวอย่างพร้อมมูลแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกทุดงนั้นๆสามารถหรือถอนได้โดยสิ้นเชิงถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทั่วถึงความมุ่งหมายของทุดงได้โดยถูกต้อง เราะธุดงเหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นกรองสามัญมนุษย์ให้กลายเป็นอัจฉริยะมนุษย์มามากต่อมากแล้วเท่าที่ท่านปฏิบัติอยู่เวลานี้ก็น่าชมเชย อ, อยู่แล้วแต่ที่อธิบายเพิ่มเติมบ้างก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสมกับทุดงเป็นเครื่องกลั่นกรองคนให้ฉลาดแหลมคมขึ้นไปโดยลาดับไม่ติดอยู่เพียงแค่คาว่าถือทุดงเท่านั้น ซึ่งเป็นความโง่เขานอนใจไม่คิดอ่านทางปัญญาหาความฉลาดใส่ตนทุดงแต่ละข้อมีความหมายลึกซึ้งมากมายที่จะรู้ทั่วถึงจึงควรใช้สติ ป, ปัญญาไตรตรองให้ละเอียดทีท่วนเป็นข้อๆไปท่านจะได้รับประโยชน์จากทุดงไม่มีประมาณแม้ความสิ้นสุดถึงวิมุติพระนิพพานก็ไม่นอกเหนือไปจากทุดงดังกล่าวเป็นเครื่องส่งเสริมเลย ท่านอาริยชนทั้งหลายมีความรักชอบธรรมะเหล่านี้มากและท่านฝากชีวิตจิตใจไว้กับธรรมะเหล่านี้กันทั้งนั้นทั้งชมเชยยกย่องท่านผู้สนใจปฏิบัติทุดดงว่าเป็นผู้จะยังประโยชน์ตนให้สำเร็จไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคและดำรงอริยประเพณีไว้ได้เพราะนี้เป็นอริยประเพณีที่ท่านดาเนินมาทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดามาตรัสตรัสไว้ในสมัยใดและที่ใดจำต้องมีทุดงคขวัตอันเป็นคู่เคียงพระศาสนาเสมอมาอยากเข้าใจว่าทุดงคขวัตเหล่านี้จะมีเฉพาะศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเลยแต่มีประจําทุกๆศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆตลอดมาจนถึงพุทธศาสนาปัจจุบัน จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสในนามของความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสพระพุทธเจ้านั้นๆจำต้องประกาศสอนธุดงควัดแก่ภิกษุบริษัทธของพระองค์เช่นเดียวกันทุกๆุศา ส, สนาเพราะุดงควัดเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับนักบวชอย่างยิ่งผู้หวังความหลุดพ้นอย่างเต็มใจอยู่แล้วจะได้ปฏิบัติตามทุดงควัด ด้วยความมุ่งมั่นกลั่นกรองกิเลสออกจากใจได้ทันกับเหตุการณ์ไม่เนื่นช้าล้าหลังท่านอาจารย์องค์นั้นเปลี่ยนถามข้อข้องใจในระหว่างพระอรหันต์ท่านหยุดชั่วขณะว่ามีผู้สงสัยว่านับแต่พระพุทธองค์ปริทธิ์พานจนถึงสมัยนี้ท่านนับเวลาก็ได้สองพันกว่าปีแล้วถ้าเป็นผลไม้และสิ่งต่างๆ ก็จำต้องร่วงโรยไปตามกฎอนิจจังไม่มีอะไรเหลืออยู่แม่ซากแห่งลำต้นของมันถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็เป็นผุยผงของดินไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือพอเป็นเครื่องหมายแห่งบริษัทและตึกรามบ้างเลยแม้แต่ภูเขาแท่งทึบยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรเหนืออำนาจกฎอนิจจัง ส่วนธรรมมาพิสมัยที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้และบรรลุในสมัยนั้นพอตกมาสมัยนี้น่าจะไม่มีเขาโครงแห่งมรคนิพพานเหลืออยู่พอกุลบุตรทั้งหลายได้ดื่มบ้างด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติของตนน่าจะค่อยๆเสื่อมสูญไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายฉะนั้นกระผมเองไม่มีปัญญาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ทนองนี้ให้สงบลงได้ แต่วันนี้เป็นโอกาสวาสนาสุดที่จะอัศจรรย์ของกระผมเองที่คาดไม่ถึงซึ่งพระผู้ประเสริฐเลิศโลกออกลอยลงมาโปรดด้วยความเมตตาสงสารจึงขอประธานกราบเรียนถามข้อข้องใจที่เป็นมาว่าเรื่องมรรคผลนิพพานในวงพระศาสนาอันเป็นทางปฏิวัติกับสิ่งสมมุติทั้งหลายอย่างจะกลับเป็นธรรมนุวัตไปตามโลกแห่งอนิจจังอยู่หรือประการใดคือเมื่อโลกปรบรวน ธรรมะก็แปรปรวนโลกเสื่อมธรรมะก็เสื่อมโลกศูนย์ธรรมะก็ศูนย์สิ่งต่างๆหมดความหมายลงธรรมะก็อาจหมดความหมายไปตามและอาจกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานว่าจะต้องสิ้นสุดกุดด้วนไปตามการสถานที่แห่งการปรินิพานของพระพุทธเจ้าด้วยหรือประการใดเท่าที่ทราบมาการปรินิพานของพระองค์นั้น เป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะมิได้เกี่ยวกับหลักธรรมวินัยที่ทรงประกาศสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดแต่แล้วผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับการเวลาแห่งการปรินิพานของพระองค์ที่ทําให้มรรคผลนิพพานประเทือนไปก็ยังมีอยู่ดังคำว่าพระองค์ปรินิพานได้สองพันกว่าปีแล้วศา ส, สนาของพระองค์ยอมจะค่อยๆร่วงโรยและหมดมรรคผลไปด้วย แม้ปฏิบัติกันไปก็ลำบากเปล่าโดยไม่มีผลตอบแทนแต่อย่างใดเลยดังนี้ฟังแล้วรู้สึกขัดกันกับพุทธพจน์อยู่มากทั้งเป็นการสร้างความสะเทือนใจแก่วงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความสงสัยลังเลได้พอดูซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลยนอกจากเขยา่าศาสนาและจิตใจประชาชนให้ขุนมัวเท่านั้น พระอาหารหันต์ตอบท่านว่าถ้าธรรมะเป็นเหมือนผลไม้เป็นเหมือนบริษัทห้างร้านเป็นเหมือนสิ่งต่างๆในแดนสมมุติที่ตกอยู่ในกฎแห่งอนิจจังธรรมะก็หายซากไปนานแสนนานแล้วไม่มีใครได้ดื่มรสแม้เพียงผ่านชิวหาประสาสคือใจชั่วขนาเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มีจานวนมหาศาลไม่สามารถจะนับจะประมาณ ก็ไม่มีโอกาสปรากฏขึ้นในโลกแห่งอนิจจังนี้ได้แม้ที่จะมาตรัสรู้และบรรลุ ข, ข้างหน้าซึ่งไม่มีประมาณก็เป็นอันดับดิ้นเส้นอริยชาติอริยวาสอริยวงไปทำตามกันเท่าที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตยังปรากฏสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับไม่ขาดมูลศูนย์รากยังปรากฏความดีและคนดีวิเศษเป็นร่างเหลืออยู่ ไห้สัตว์โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นควัตาควัญใจสืบมาจนทุกวันนี้ก็เพราะธรรมะไม่ได้เป็นเหมือนตึกรามบ้านช่องที่คอยแต่จะล้มทับคนตายด้วยกฎอนิจจังบังคับนั่นเองคำว่าธรรมะเป็นอาการลิโกถ้าไมา่หมายเอาธรรมะฟากแดนสมมุติบริสุทธิ์สุ ด, ส, ดส่วนแล้วจะหมายอะไรเป็นธรรมะสาระเล่า ธรรมะสาระที่เป็นอากาลิโกนั่นแหละคือธรรมะแท้ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นต้นที่มีอนิจจังเป็นทางเดินเช่นเดียวกับสิ่งทั่ ว, วไปเช่นธรรมะเจริญบ้างธรรมะเสื่อมบ้างเป็นต้นอันเป็นกฎเดียวกันกับโลกทั่ ว, วไปซึ่งไม่จัดเข้าในธรรมะสาระดังธรรมะในพระไตรของพระพุทธเจ้า และธรรมะในใจของพระขี่นาศบทั้งหลายที่เป็นอากาลิกธรรมล้วนๆไม่มีกฎใดๆเข้าไปอาจเอื้อมทำลายได้ธรรมะประเภทนั้นแหละคือธรรมะสาระแท้เป็นธรรมะไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นต่างๆเหมือนสิ่งทั้งหลายอะไรจะหมดความหมายไปมากน้อยเพียงไรจะเสื่อมสูญไปไหนก็ตาม แต่ธรรมะสาระนี้ยังเป็นธรรมะที่มีความหมายในตัวเองทั้งที่ใครจะเคารพนับถือหรือไม่ก็ตามธรรมะนี้ยังสามารถทรงตัวอยู่ด้วยความสมบูรณ์และเป็นอาการลิกธรรมอยู่ตลอดการพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายส่งกราบไหว้และกราบไหว้บูชาก็ดีโดยระลึกถึงการกราบไหว้บูชากันก็ดีก็กราบธรรมะสาระนี้แล การปรินิพานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีพระสมณโคดมของเราเป็นต้นนั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธก้าวเดืินไปตามสายทางของไตรลักษณ์ที่มีประจําสัตสังขารทั่วทวไปเท่านั้นมิได้เป็นความกระทบกระเทือนถึงองค์พุทธที่บริสุทธิ์อันเป็นธรรมะสาระแท้ให้เสื่อมคลายหรือขาดสูญไปแต่อย่างใด พระพุทธเจ้าจะปรินิพานณสถานที่ใดการเวลาใดก็ไม่กระทบกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานที่จะพึงบรรลุ ข, ของท่านผู้ปฏิบัติด้วยสามีจิ ก, กรรมคือชอบยิ่งเช่นเดียวกับท่านผู้นั้นจะพึงมีหวังในผลอันเกิดแต่ข้อปฏิบัติของตนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น แม้ปริณิพานไปแล้วกี่พันกี่หมื่นปีก็เป็นเพียงเวลานาทีที่โลกถือกันเท่านั้นส่วนธรรมะนี้มิได้อยู่กับการสถานที่ดังที่เข้าใจกันแต่ธรรมะอยู่กับธรรมะมีได้อยู่กับอะไรอันเป็นการอาศัยซึ่งไม่เข้าในลักษณะของธรรมะแท้ธรรมะสาระนี้แลเป็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในโลกตลอดมา ทั้งนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้ค้นพบหรือไม่ค้นพบว่าธรรมะคืออะไรมีอยู่ในโลกหรือหาไม่ก็ตามธรรมะก็คือธรรมะอยู่โดยธรรมชาติของตนฉะนั้นการที่ใครๆจะพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปนานแล้วตั้งสองพันปี3 0 0 0ปีมรคนิพานได้ร่วงโรยหมดเขตหมดสมัยไปตามโดยสิ้นเชิงแล้วแม้จะพากันปฏิบัติเคร่งรัด หรือดีเยี่ยมเพียงไรก็เป็นการลำบากเปล่าโดยไม่มีผลใดๆเป็นเครื่องสนองตอบเลยดังนี้นั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศสอนโลกด้วยสัจธรรมนั้นไม่ใช่ทางเดินคือความมุ่งหมายของพระศาสนาที่พระศาสดาองค์สิ้นกิเลสถึงความประเสริฐของโลกประทานไว้นั้นไม่ใช่หลักวิชาธรรมะในพระพุทธศาสนา พอที่ผู้นับถือพระศาสดาและพระธรรมวินัยจะนำมาคิดและศึกษาให้ทวงเวลาล้าสมัยและสร้างอุปสรรคแก่ตนโดยไม่เกิดผลดีใดๆเลยนอกจากเป็นความคิดและศึกษาที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางออกไม่ได้เท่านั้นผู้เชื่อพระศาสนาอันเป็นธรรมะของศาสดาองค์บริสุทธิ์ประทานไว้ จึงไม่ควรนำคำพูดขวากน้นานั้นมาเสียบแทงตัวเองราวกับคนสิ้นท่าหาทางออกไม่ได้ทั้งที่ทางออกยังมีอยู่และจะกลายเป็นบุคคลที่น่าสังเวชหมดหวังทั้งที่ชีวิตความสืบต่อในร่างยังมีอยู่ซึ่งควรนำไปทำประโยชน์อะไรได้พ ร, ระอรหันต์ท่านสอนซ้ำอย่างถึงใจอีกว่า ท่านทราบหรือเปล่าว่าคนที่จะคอยแสงหน้าพระศาสนาเพื่อเป็นพระศาสดาองค์เอกของโลกทั้งที่กิเลสและความโง่เขลายังมีอยู่ในสันดานอย่างเต็มตัวยังมีอยู่มากมายในโลกที่ผสมด้วยสิ่งโสมมุมอันนี้แล้วยังมีท่านอีกองค์หนึ่งหรือที่กระหายรอความเป็นสาวกแห่งศาสดาองค์โสมมมนั้นอยู่พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่า สำหรับกระผมเองมิได้มีความวันไหวจากหลักธรรมไปตามคำพูดเช่นนั้นเลยแม้ขณะจิตหนึ่งทุกๆขณะจิตและอริยาบทต่างๆเป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมักผลนิพพานจากสวากขาตธรรมอยู่อย่างเพลินใจเท่าที่กราบเรียนถามนี้เห็นเป็นความจำเป็นที่ตัวเองก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งมุ่งประโยชน์แก่โลกอยู่อย่างเต็มใจหากแต่เพียงกำลังของตัวก็เกรงว่า จะไม่สามารถพอในการชี้แจงแก่ท่านผู้คล่องใจในเรื่องดังกล่าวมาเพราะเป็นเรื่องสะเทือนทั้งวงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ไม่เบาเลยเมื่อเห็นเป็นการอันควรกับเวลาที่พระคุณท่านผู้ประเสริฐมาโปรดเมตตาซึ่งเป็นองค์แน่นอนในธรรมะทั้งหลายยากจะหาพบได้ในโลกมนุษย์จึงได้ถือโอกาสกราบเรียนศึกษาเพื่อเป็นประทีปดวงไฟอันสว่างแก่กระผมเอง และประชาชนได้มีหูตาสว่างบ้างเพราะความเมตตาที่ประพรมโสรสส่งไว้นี้พระอาหารหันต์ท่านให้โอวาาต่อไปว่าการถามเพื่อประชาชนก็ถูกแต่จะให้ถูกแท้ท่านควรดูวาราจิตที่คิดเป็นภัยแก่ตัวเองแม้นิดก็ควรทราบว่าเป็นภยัยและมีทางกำจัดให้สิ้นไปได้ เราะภัยภายในพิสงยิ่งกว่าภัยภายนอกดังกล่าวมันนั้นมากปราดทั้งหลายท่านถือกันเพื่อความแน่ใจจึงขอย้ำธรรมะบทต้นให้ท่านทราบอีกครั้งว่าไม่มีผู้ใดและสิ่งใดในสามภพจะมีอำนาจมาบังคับธรรมะให้ไร้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเป็นสามีจิ ก, กรรมไม่เพียงแต่การสถานที่ดังกล่าวมาเท่านั้น แม้อะไรอะไรทั้งสามโล ก, กาธาตุจะยกพวกยกพลมาบังคับไม่ให้ธรรมะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติชอบอยู่อะไรอะไรทั้งสามโลกนั้นจะไม่มีหวังดังใจหมายเลยธรรมะต้องเป็นธรรมและให้ผลโดยธรรมอยู่ตลอดไปเมื่อการปฏิบัติถูกต้องดีงามยังมีอยู่สิ่งที่มีอำนาจสามารถปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้ โดยไม่เลือกการสถานที่และบุคคลนั้นมิใช่อะไรอะไรอื่นที่ไหนอย่าพากันคิดงมตมงมโคลนเหยียบนาให้เป็นทุกข์ทรมานตนซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่ามากให้ชิบหายไปเปล่าด้วยอำนาจความโง่เขลาบีบบังคับจุดลากไปนั้นคือสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวเองแต่ละรายสัจธรรมเบื้องต้นอันเป็นฝ่ายผูกมัดคือทุกข์ กับสมุทยัยทั้งสองนีแลที่สัตว์โลกผู้ไม่รู้จักเป็นจากตายเพราะฤทธิ์มันบีบคั้นชอบสั่งสมกันมากไม่มีวันอิ่มพอคือตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานโดยแท้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ในหัวใจสัตว์เมื่อยังมีความชอบพอและส่งเสริมมันอยู่ทุกเวลาเกิดขึ้นในภายในใจสัตว์ย่อมทาให้หมดสติปัญญา ความคิดที่เคยฉเฉลียวฉลาดก็กลายเป็นความปิดตันอั้นตู้ไปหมดไม่มีทางออกนอกจากนั่งเฝ้านอนเฝ้าทุกแสดงความทุรนทุรายไปตามเรื่องคนไม่มีทางออกไม่สนใจสแสวงหาทางออกโดยถูกทางเท่านั้นสมุดไทยคือความคิดปรุงหรือวาดภาพต่างๆเกี่ยวกับตันหาสามตัวคือกามตันหา ภาวะตันหาวิภาวะตันหาเป็นผู้นำและนำคิดปรุงแบบไม่มีประมาณจนเลยขอบเขตและขนทุกข์มาเผาลวนจิตใจให้กลายเป็นไฟชนิดที่ก่อแล้วดับไม่ลงหรือไม่สนใจจะดับนอกจากเสริมให้แสดงเปลวขึ้นจนกลายเป็นไฟเผาโลกไปได้ไม่มีทางสิ้นสุดสมุทัยได้แก่ตันหาสามนี่แหล คือเครื่องปิดกั้นมรพลนิพพานได้อย่างมืดมิดปิดตายไม่มีวันมีคืนหรือความสว่างใดาสามารถกำจัดได้และก็มีสัจธรรมนี้เท่านั้นที่สามารถรื้อถอนสมุ ท, ทยัยความมืดมนให้สูญสิ้นไปได้อย่างไม่มีปัญหาสัจธรรมที่เป็นฝ่ายแก้เบื้องปลายคือนิโรดกับมรนี่คือเครื่องมือ แม้สมุทยทุกชนิดไม่มีสิ่งใดสามารถเสมอเหมือนได้นิโรธย่อมทามหน้าที่ดับทุกไปเป็นลําดับตามอำนาจของมัคคือศีลสมาธิปัญญาที่มีกำลังเมื่อมัคมีกาลังพออิเลดย่อมหาที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ได้กลายเป็นความดับทุกไปโดยสิ้นเชิงไม่มีการเวลาสถานที่หรือสิ่งใดมาเกี่ยวข้อง ที่เข้าใจกันมีนิโรธกับมรรคนี้เท่านั้นเป็นผู้นำหน้าที่รื้อถอนกิเลสแต่ผู้เดียวความเชื่อสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ผมอธิบายให้ฟังอยู่ขณะ น, นี้ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมะของจริงกับความเชื่อลมที่ไม่มีน้ำมีเนื้อปรากฏแต่เสียงดังกล่าวมา น, นั้นมีผลต่างกันอย่างไรบ้าง ควรพิจารณาด้วยปัญญาและถือเอาประโยชน์จากธรรมะอย่าให้สัมผัสแล้วผ่านไปเปล่าท่านยังมีความสงสัยอะไรอยู่อีกก็ควรแสดงออกเพราะโอกาสแห่งธรรมศาสักชาที่เป็นมงคลอย่างนี้หายากไม่มีในการทั่วไปเมื่อพระอรหันต์ท่านหยุดนิ่งไปชั่วระยะหนึ่งไม่เห็นอาจารย์องค์นี้เรียนถามอะไรท่านจึงอธิบายพระวินัยต่อไปว่า พระวินัยเป็นเครื่องประดับสมณะให้สวยงามทั้งความประพฤติมัน ญ, ญาติผู้เคร่งครัดในพระวินัยคือผู้มีมัน ญ, ญาติกายวาจาใจงดงามความงามของสมณะคือความประพฤติการแสดงออกทุกอาการไม่มีที่ต้องติสมณะมีพระวินัยเป็นคู่ชีวิตความเป็นอยู่คือสมณะที่เย็นเย็นทั้งอยู่คนเดียว ทั้งอยู่กับมูคณะและสังคมทั่วไปอยู่ในปา่าในเขาหรือรเผชิญอันตรายต่างๆก็ไม่มีอะไรกล้าทำลายเทวดาอารักขาประชาชนรักชอบพระวินัยเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งรั้วกั้นมรรคและผลมีให้รั่วไหลแตกซึมชีวิตของสมณะคือความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นชีวิตอันสดชื่นเราเป็นสมณะสักยบุตร ที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่จำต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าโดยทายเดียวแม้เกิดการใดสถานที่ใดหรือเป็นลูกเต้าเหล่าชาติชั้นวั น, นะใดก็คือสมณะสกยะบุตรคนหัวปีคนกลางและคนสุดท้องโดยสมบูรณ์อยู่นั่นเองเช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคนซึ่งต่างเกิดในสถานที่และเวลาต่างกันแต่ก็เป็นลูกของพ่อแม่โดยสมบูรณ์ด้วยกันฉะนั้น พอจบการแสดงธรรมท่านพูดเป็นเชิงสั่งเสียด้วยความเป็นห่วงพระศาสนาและท่านอาจารย์องค์นั้นยังจับใจว่าจากนี้ผมจะได้ลาท่านโดยทางภาพสมมุติท่านจงเป็นผู้มีศัสดาวหรือพระธรรมวินยัยอยู่กับใจกายวาจาในทุกอิริยาบถเถิดไม่มีสิ่งใดจะแน่นอนและตายใจได้ในความหลุดพ้นยิ่งกว่าพระธรรมวิไนอันเป็นนิยานิกรรมนี้เลย ท่านอย่ามองอย่าคิดเรื่องอะไรมากไปกว่าการคิดเพื่อธรรมะเพื่อวินัยอันเป็นพระนามของศาสดาน้อมสงเคราะห์เข้าสู่ตนความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านแต่ผู้เดียวดังนี้ขณะจะเคลื่อนย้ายองค์จากที่และเหาะลอยขึ้นบนอากาศท่านได้มองดูท่านอาจารย์องค์นั้น ด้วยความอ่อนโยนด้วยเมตตาอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยๆเหาะลอยขึ้นอย่างเชื่องช้าอันเป็นเชิงเรียกความสนใจไฝ่ฝัน ย, ย, ยึดมั่นเป็นอติตารมไปนานๆแก่ท่านอาจารย์องค์นั่งเพ่งแหลงท่านด้วยความเลื่อมใสอะไรเสียดายทางจิตตะภาวนาเปล่ากับไม่กระพิบตาใจเลยในขณะนั้นจากนั้นภาพท่านก็หายไปใน่าำกลางอากาศไม่มีอะไรเหลืออยู่ นอกจากภาพแห่งความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ภายในไม่มีวันลบเลือนตลอดอวสานแห่งชีวิตท่านเท่านั้นอันเป็นที่น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่ค่อยปรากฏแก่ท่านบ่อยนักท่านว่าคืนนี้ท่านก็ภาวนาจนสว่างเช่นเดียวกับคืนวันพระอรหันต์พาอุละออกมาเยี่ยมแสดงธรรมโปรดเช่นกันคือพอภ้าพระอรหันต์กรสปะท่านจากไปแล้ว ซึ่งนับแต่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังและสนทนากันอยู่เป็นเวลาสามชั่วโมงเสร็จจิตจึงถอนออกมาลำดับต่อไปท่านได้นำพระธรรมวินัยที่ได้รับเมตตาจากพระอาหารหันต์ท่านมาคบคิดอีกต่อหนึ่งทําให้เกิดความทราบซ่านไปทั่วสันพางร่างกายและจิตใจจนลืมหลับนอนในคืนวันนั้นเพราะธรรมะที่ได้รับจากนิมิต ท, ที่ท่านมาแสดงให้ฟัง รู้สึกดื่มด่ำล้ำค่ายากที่จะพันานาให้ถูกต้องตามความจริงได้แม้เวลาอื่นๆที่ไม่ได้เข้าสมาธิภาวนาก็ทําให้จิตประวัติถึงท่านไม่ว่างเว้นแต่ละเวลารู้สึกเป็นกำลังใจไปนานการประกอบความเพียรก็เข้มแข็งความมุ่งมั่นในธรรมะที่จะพึงได้พึงถึงดังท่านเมตตาแสดงให้ฟัง ก็รู้สึกจดจ่อต่อเนื่องผิดธรรมดาอยู่มากเรากับจะได้ถึงธรรมะแดนพ้นทุกขอยู่ทุกขณะที่หวนระลึกถึงคำสั่งเสียท่านสำหรับในเรื่องนี้บางตอนท่านเน้นคําสําคัญสําคั ญ, คญกับท่านอาจารย์องค์นั้นโดยเฉพาะก็มีแต่ผู้เขียนไม่กล้านำลงเร่งจะเป็นการกระเทือนท่านและสแสลงใจท่านผู้อ่านมากไป จึงขออภัยไว้ด้วยที่ไม่ได้นำลงให้บางท่านได้อ่านอย่างจุใจ